มหาปรินิพพานสูตรทีขณิกายมหาวัฏเนี่ยนะก็แคมงวดเข้าไปใกล้ที่พระผู้มีพระภาคจะดับขันธปรินิพานโดยเนื้อความในพระสูตรซึ่งการปรินิพานของพระพุทธเจ้าอันนัคู่ควรกับการสังเวชแม้ขนาดว่าผู้สั่งสมบุญมาระดับนั้นพระองค์ยังต้องดับขันธปรินิพาน ทีนี้พูดถึงว่าการปรินิพานของพระพุทธเจ้าถ้ามองในแง่ส่วนตัวของพระองค์เองก็เป็นเรื่องที่ควรแก่การชื่นชมและก็อนุโมทนาอันนโดยลําพังพระองค์เองอ่ะนะเพราะอะไรเพราะพระองค์นี้เป็นพระสุคตเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วผู้เสด็จไปเพื่อความพ้นทุกผู้เดอย่างนี้ไม่ได้พูดเพื่อสรามพ้นทการตายแต่ไมายความพ่าสําหรับพระองค์นั้นผู้ปเงภาระเสร็จแล้ว นนะผู้ก้าวล่วงโศกปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตแล้วผู้สิ้นฉันทราคะในอุปาทานขันห้าเสร็จแล้วแตจแล้วถ้ามองในแง่นหนึ่งเนี่ยนะพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่อึดอัดเอือมระอาชิงชังในขันห้าโดยเห็นพิษภัยทุกโทษของขันห้าถ้าหากว่าผู้ที่ปรารถนาดีต่อพระพุทธเจ้ายังยินดีที่จะให้พระองค์เนี่ยทุกทรมานอยู่อีกหรือผู้เด็กนายหนึ่ง บางแห่งก็ใช้คำว่าโบราณเน่ยนะโบราณเขาคารพพุทธเจ้าบอกว่าพระองค์ผู้ผู้มีพระมหากรุณาส่งทรมานสังขารทรมานรูปเวทนาสัญญาคือทรมาร่างกายมิใช่น้อยเพื่อที่จะเดินทางจาริกส่งเคราะห์อนุเคราะห์มวลเวนัยศัตร์ทั้งหลายถ้ากล่าวถึงว่าพระภิกษุรูปอื่นๆเนี่ยนะบางองค์เนี่ยท่านฉันเสร็จท่านก็ไปเข้าพระสมาบัติ สเสวยวิมุตติสุขนู่นจนเย็นนะตั้งกระฉันเสร็จก็เข้าสเสวยวิมุตติสุขเข้าอรหันตผลสมาบัติเย็นนั่นแหละก็ออกมาก็ออกมาฟังธรรมไม่ได้ออกมาเทศนะออกมาฟังธรรมกับพระพุทธเจ้าซึ่งภาระทั้งหมดพระองค์รับไว้แต่เพียงผู้เดียวเราเป็นผู้ที่รับภาระที่ยิ่งใหญ่มากมันถ้ามองหลายๆด้านมีไม่กี่คนหรอกที่เข้าไปสงสารพระพุทธเจ้าคือเข้าไปว่าทุกอย่างพระองค์ทำเพื่อเราจริงๆ เห็นอกเห็นใจของพระองค์จริงๆอะไรลักษณะเนี่มีไม่มากแต่โดยมากก็บอกว่าพระพุทธเจ้าจะให้ เ, าเราให้อะไรเราได้บ้างคือสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ที่รักตนเป็นผู้ที่หวังประโยชน์แก่ตนโดยส่วนเดียวบางทีก็เลยลืมคิดถึงรอบด้านลืมคิดว่าพระพุทธเจ้าเองพระองค์ก็มีอะไรมีร่างกายมีรูปมีเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณที่เป็นภาระที่พระองค์ต้องคอย ประคับประคองทีนี้ในพระองค์ในฐานะพระศาสดาพระองค์นั้นถ้าเห็นว่าพระพิสุเป็นต้นเป็นผู้ว่ายากหรือบริษัทธ์ศีลไม่เจอในกุศลธรรมอันนี้เป็นเหตุให้พระองค์สขสมนัตได้ไหมพระองค์ก็ดำรงอยู่ด้วยอุเบกขาจริงอยู่พระองค์ไม่เสียใจหรอกพระองค์ไม่โกรธหรอกพระองค์ไม่ไม่ไม่เครียดหรอกแต่พระองค์ก็ดำรงอยู่ด้วยอุเบกขาแต่ถ้ายามเมื่อใดที่ ผู้ทบบริษัทหรือสาวกของพระองค์ประพฤติดีปฏิบัติชอบตอนนั้นพระองค์ก็อยู่ด้วยโสมนัสเนี่ยนะพระองค์ก็อยู่ด้วยโสมนัสแต่ถ้าเขาไม่ไหวจริงๆพระองค์ก็อยู่ด้วยอุเบกขานั้นถ้ามองจากหลายๆด้านเนี่ยนะพระองค์เองเนี่ยซึ่งทําประโยชน์ทั้งมวลแก่สัพพะสัตทั้งหลายประโยชน์เหล่าใดที่จะพึงบังเกิดแก่สัตว์ทั้งหลายพระองค์ก็ประพฤติประโยชน์เหล่านั้นให้แก่สัพพะสัตเนี่ยนะด้วยความทุกข์ความยากความลําบากความเหน็ดเหนื่อยทาง ร่างกายเพราะเดินทางแต่ละวันเนี่ยโดยเฉพาะก่อนจะดับขันธรปปรินิพานจะเห็นว่าพราะองค์นั้นคนที่ท้องเสียไม่ใช่เสียธรรมดาเสียปนเลือดเนี่ยนะเลือดก็ไหลออกมาแล้วก็ต้องเดินทางรอนแรมไปเดินทางเนี่ยนะไม่ใช่เส้นทางใกล้ๆเส้นทางไกลามากเดินทางโน่นแหะกรุงเทพเชียงใหม่ถือเป็นเรื่องปกติว่างั้นนะกรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพเชียงรายหรือไม่ก็ น, นู่นะ ภาคใต้จรดนะสมมติว่าหรืออาจจะเดินทางแถวสงขลาหรือภูกเก็ตเป็นต้นเนะ่ยเชียงรายอย่างเงี้ยเชียงรายสงขลาสงขลาเชียงรายอย่างเงี้ยเดินทางอย่างงั้นเดินจริงๆนะไม่ใช่เดินแบบไม่ใช่เดินทางแบบเราโดยแต่เชื่อนะแต่ว่านั่งเอาแล้วบอกว่าเดินทางอนะนะแบบในยุคเราเราพระองค์เดินจริงๆเลยแล้วก็หนทางนั้นไม่ใช่ว่าจะไม่มีแดดไม่ใช่ว่าจะไม่มีฝนไม่ใช่ว่าจะไม่มีหมอกไม่มีน้ําค้างะนะก็ ตลอดระยะเวลา45ปีอันนี้มองในแง่ของพระองค์เองพระองค์ก็เหน็ดเหนื่อยมากนี่นะเพื่ออะไรเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สัตว์ทั้งหลายนี้ในหนึ่งอีกในหนึ่งถ้าเราคิดว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ที่เตรียมตัวเตรียมตัวมาดีว่างั้นนะเตรียมตัวมาดีพระองค์นี้เตรียมตัวมาสี่อสงไขยแสนกัปนี่ยนะแล้วก็ ท, ที่ที่สำคัญมากก็คือว่าชีวิตสุดท้ายเนี่ย พระองค์เตรียมตัวแล้วก็เตรียมอย่างบริบูรณ์ด้วยคําว่าเตรียมตัวเข้ามาเตรียมด้วยศีลสมาธิและปัญญาเราจะเห็นว่าคุณธรรมก่อนที่พระองค์จะดับขันธปรินิพานนั้นรวบรวมคุณธรรมอย่างมหาศาลพระองค์เป็นพระธรรมราชาอย่างแท้จริงพระองค์มีธรรมมากมายพระองค์เสวยกุศลคุณธรรมมากมายก่อนที่จะดับขันธปรินิพานสมาบัติเหล่าใดที่มีอยู่ในโลกโลกิยะสมาบัติเหล่านั้นพระองค์เข้าทั้งหมด โลกุตระสมาบัติเหล่าใดที่มีในโลกพระองค์ก็เข้าโลกุตระสมาบัติเหล่านั้นทั้งหมดพันพระองค์นั้นเป็นผู้ที่เรียกว่าประสบความสำเร็จที่สุดของชีวิตปราบรื้มใจอยู่เสมอเนี่ยนะรื้มใจอยู่เสมอพระองค์ไม่ได้หนักใจเลยโดยลำพังตัวชีวิตของพระองค์เองทีนี้ถ้าหากว่าพระองค์คิดถึงสัตว์อื่นล่ะพระองค์ก็คิดถึงเขาเหล่านั้นด้วยความการุณาเนี่ยนะด้วยความการุณาว่า พระองค์นั้นพ้นแล้วถึงจะเหน็ดเหนื่อยบ้างแต่พระองค์ก็พ้นแล้วเขาเหล่านั้นสี่ยังไม่พ้นอะไรเลยเนี่ยนะเขาเหล่านั้นยังไม่ได้อบรมศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศ น, นะเขาเหล่านั้นไม่มีคุณธรรมไม่มีคุณธรรมพอที่จะปิดอาบายทุกขติวินิบาตนรกเป็นต้นนั้นเขาเองก็กําลังทุกข์กำลังร้อนกําลังเดือดร้อนนั้นอะไรที่พระองค์จะช่วยเหลือเกือ้อกูลสงเคราะห์อนุเคราะห์ปโปรดเข้าได้พระองค์ก็ทํากิจเหล่านั้น ในส่วนของพระองค์แล้วในส่วนของการอบรมตนของพระองค์พระองค์ก็อบรมตนของพระองค์จนเต็มเปี่ยมและบริบูรณ์กิจเหล่าใดที่ควรจะช่วยเหลือเกื้อกูลสงเคราะห์อนุเคราะห์แก่สัตว์เหล่าอื่นพระองค์ก็สงเคราะห์อนุเคราะห์แก่สัตว์เหล่าอื่นอย่างครบถ้วนบริบูรณ์นะคือปัญญาเนี่ยเป็นเหตุให้พระองค์เนี่ยอบรมตนอย่างเสร็จสิ้นนะเจริญคุณธรรมของพระองค์เองจนเต็มเปี่ยมบริบูรณ์จะเรียกว่าพระสุคต ผู้เสด็จไปดีแล้วเนี่ยนะเรียว่าไปดีทั้งโดยกายโดยวาจาโดยใจทุกอย่างพระองค์เนี่ยไปดีหมดขณะเดียวกันสิ่งใดที่ควรช่วยเหลือเกื้อกูลต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายพระองค์ก็ช่วยเขาเหล่านั้นทั้งหมดทีนี้การใช้ชีวิตของพระองค์ในโลกพระองค์ก็เช่นกับดอกบัวเหมือนอย่างว่าดอกบัวทั้งหลายเนี่ยนะอาศัยน้ําและโคลนต้มเจริญงอกงามแต่ถ้าหาว่าโผล่พ้นน้ามาแล้วเนี่ยนะ ได้รับแสงอาทิตย์แบ่งบานก็ส่งกลิ่นหอมเนี่ยนะแล้วก็ไม่ได้แปดเปื้อนด้วยน้ำเล็โคลนตมเหล่าใดไม่มีสีไม่มีกลิ่นแห่งคโครนตมอยู่เลยพระองค์ได้เกิดขึ้นมาในโลกนะประกอบด้วยชาติชราเช่นกับสรรัตว์ทั้งหลายแต่พระองค์ก็ทำกิจในโลกเนี่ยนะทำกิจกำหนดรอบรู้โลกทำกิจตัดเยื่อใยตัดอาไยอาวรตัดฉั้นธาคะในโลกอย่างเสร็จสิ้นแล้วพระองค์ก็ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติเพื่อสิ้นจากวัฏทุกข์สิ้นจากโลกข้อปฏิบัติเพื่อดับโลกทั้งมวล น, นั้นพระองค์ก็ทําภาระของพระองค์ให้อย่างเสร็จสิน้นทีนี้กิจเหล่านั้นพระองค์จึงดํารงอยู่ในโลกโดยที่ไม่มีตัณหามานะทิฐิฉาบทารูปไร้เล ย, ยนี่นะพระองค์มีตามองเห็นรูปแต่พระองค์ไม่มีอภิชาและโทมนัสในรูปเลยพระองค์มีหูฟังเสียงแต่พระองค์ไม่มีอภิชาและ พรอะนะพรองคนะ์มไม่โลภไม่โกรธยามเมื่อตามมองเห็นพรอะองค์ไม่โลภไม่โกรธเมื่อหูได้ยินพระองค์ไม่โลภไม่โกรธเมื่อจมู ก, กรู้กลิ่นพระองค์ไม่โลภไม่โกรธเมื่อเลนรับรูร้รสโดยที่สุดแม้แต่รสชาติอันเป็นของทิพย์พรอะองค์ได้รับสัมผัสเนี่ยนะไม่ว่าผู้ถภารมที่มาจากกรรมชรูปชั้นดีผู้ถ ภ, ภารมที่มาจากจิตชรูบชั้นดีอุตตุชรูบอย่างดีอาหารชรูบ อย่างดีและจิตตะชูกของพระองค์นั้นระดับปฐมบัญชาเป็นต้นพระองค์ไม่ติดข้องในรูปเหล่านั้นเลยนั้นความสุขทุกขเหล่าใดที่ควรมีในที่มีในกายพระองค์ไม่มีฉันทราค่าในสุขเหล่านั้นพระองค์ไม่มีทุกขโทมนัสในทุกขเหล่านั้นเลยพระองค์รับสัมผัสด้วยกายเนั้นพระองค์ไม่มีอภิชาและโทมนัสเนะพระองค์กําจัดอภิชาด้วยสมถะนะกาจัดโทมนัสด้วยวิปัสนา นันพระองค์นั้นกำจัดอภิชาและโทมนัส ด, ด้วยสมถะและวิปัสนาในทุกทวารและทุกอารมณ์นั้นพระองค์นึกคิดเรื่องราวทั่วไปนะแล้วไม่ใช่คิดแบบธรรมดาแบบสักแต่ว่าใจลอยคิดเลื่อนลอยไม่แต่พระองค์คิดไปตามพระญาณใจของพระองค์ไหลไปตามอัศจาารรย์ญาณใจของพระองค์ไหลไปตามทศพลญาณ อย่างทั้งสิประการที่เป็นกําลังของพระองค์โปรง่งไหลไปตามอสสาธารณะยาใจของพระองค์นั้นเป็นไปกับอยางทั้งหลายตลอดเมื่อใจของพระองค์เนี่ยไหลคล้อยไปตามปัญญาแต่พระองค์ก็ไม่เคยยึดถือปัญญาเหล่านั้นด้วยอภิชาและโทมนัสเลยปกติปัญญาทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งอภิชาเป็นที่ตั้งแห่งมานะแต่พระองค์ไม่มีมานะโดยอาศัยปัญญาเหล่านั้นเลยพระองค์ไม่เคยลำพอง ไม่เคยพยองไม่เคยอวดดีอวดเก่งหรือเป็นคนจาอวดมีมายาเจ้าเล่่ล่มไม่มีโดยประการทั้งปวงเ่่ดจจ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่จ่่่่่่่่่่่ว่่จ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ป่่่่่่่่่่่่า่่่่่่่่่่ร่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ศ่ธรมมดด ร, ร, ธรมเหล่า่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่อ่ก่ศ่ธรรมเหล่านั้น แต่อกุสลธรรมเหล่านั้นพระองค์ก็ละได้อย่างเสร็จสิ้นนี้ที่สําคัญมากที่สุดก็คือว่าชีวิตของพระองค์เนี่ยรวบรวมคุณธรรมได้อย่างครบถ้วนและบริบูรณ์ถามว่าความเป็นพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้สําเร็จถึงความเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์รวบรวมคุณธรรมนั้นโดยอาศัยอะไรเป็นเบื้องต้นพระองค์จึงบําเพ็ญกิจจนได้สําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเพราะเนื่องจากว่าพระองค์นั้นมีความตั้งใจที่ถูกต้องเนี่ยนะ สิ่งทั้งหลายในโลกนี้ขันทั้งหลายเนี่ยมันเกิดจากความตั้งใจตั้งถูกเขาเรียกว่าสัมมาปณิธิถ้าตั้งผิดเรียกว่ามิจฉาปณิธิพระองค์บอกว่าไม่มีอะไรจะเลวร้ายเท่ากับตั้งจิตเอาไว้ผิดอีกแล้วแต่ก็ไม่มีอะไรจะมีอุปการะคุณเท่ากับจิตที่ตั้งเอาไว้ถูกต้องจิตตั้งไว้ผิดมีโทษยิ่งกว่าคู่เวรคู่เวรโจรเรียกว่าเวรเจอคนที่เป็นเวรกันก็ยังไม่โหดเงียมเท่ากับ จิตที่ตั้งไว้ผิดแต่ของพระพุทธเจ้านั้นตั้งจิตเอาไว้ถูกพระองค์จึงได้รับคุณธรรมอย่างมหาศาลเพราะพระองค์ตั้งจิตเอาไว้อย่างถูกต้องถ้าจะกล่าวไปแล้วเนี่ยนะตลอดระยะเวลาชีวิตของพระองค์เนี่ยใช้คำว่าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระมหสิสเจ้าแปลว่าพระผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ตลอดระยะเวลาของชีวิตของพระองค์ก็สแสวงหาศีลทั้งที่เป็นโลกียะศีลและ โลกุตระเสินแสวงหาสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะแสวงหาความบริสุทธิ์ด้วยกายวาจาและอาชีพตลอดระยะเวลาชีวิตของพระองค์ก็แสวงหาสมาธิแสวงหาสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิตลอดระยะเวลาของพระองค์ชีวิตของพระองค์ก็แสวงหาปัญญาแสวงหาสัมมาทิฏฐิแสวงหาสัมมาสังกัปปะพันสินสมาธิปัญญาของพระองค์ก็ตั้งไว้เพื่อ วิมุตต์คืออริยมรรคทั้งหลายอริยผลทั้งหลายอยันนั้นทั้งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์เจโตวิมุตต์คืออรหัตผลสมาธิปัญญาวิมุตต์คืออรหัตตมัอะอรหัตผลปัญญาทั้นพระองค์ก็ตั้งเป้าหมายเพื่อศีลสมาธิปัญญาวิมุตต์แล้วก็มีวิมุตติญาณทัศนะรอบรู้วิจัยไข้ครวญขันอันเป็นที่ตั้งแห่งอภิชาขันทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งบาปอกุศลธรรมทั้งหลายพิจารณาขันทั้งหลายเนี่ยนะ แล้วก็สามารถที่จะพิจารณาแล้วตักฉันทราคะในอุปาทานขันห้าได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และบริบูรณ์นี้พระองค์นั้นเป็นผู้ที่สมบูรณ์เนี่ยนะเนื่องจากว่าพระองค์นี้แสวงหาคุณธรรมเหล่านี้และคุณธรรมเหล่านี้ก็ได้มีแก่พระองค์จริงๆเพราะั้นเราทั้งหลายถ้าปรารถนาความเจริญเราก็คงตั้งจิตคล้ายกับพระองค์ตั้งจิตเพื่อจะรู้ตามที่พระองค์รู้ตั้งจิตเพื่อจะมีเช่นกับที่ พระองค์มีร พ, ร <c oughs> พระองค์ตั้งไว้เพื่อศีลแม้เราทั้งหลายก็ควรตั้งจิตไว้เพื่อให้มีศีลพระองค์ตั้งไว้เพื่อสมาธิเราก็ควรตั้งจิตให้มีสมาธิพระองค์เนี่ยตั้งจิตไว้แสวงหาปัญญาเราก็ตั้งไว้เพื่อให้เจริญปัญญาพระองค์แสวงหาวิมุตติแสวงหาวิมุตติญานททัศนะเราทั้งหลายก็ควรจะตั้งไว้อย่างนั้นพระองค์เนี่ยแสวงหาคุณธรรมเพื่อก้าวล่วง สังสารวัตรก็คือก้าวล่วงพ้นโศกะปริเทวะทุกขโทมนัดและอุปาญาตเราทั้งหลายก็ควรจะแสวงหาธรรมเป็นที่พ้นจากโศกะปริเทวะนะพระองค์สแสวงหาธรรมเป็นที่พ้นจากโศกะปริเทวะพระองค์เนี่ยตั้งจิตไว้เพื่อแสวงหาสติปทานเราเองก็ควรจะตั้งจิตไว้เพื่อเจริญสติปทานพระองค์เนี่ยตั้งตนไว้เพื่อเจริญสัมมาปทานอิทธิบาทอินทรีย์ศีละโพชงองค์มรรคอริยมรรคทั้งหลาย เราเองก็ควรตั้งจิตไว้เพื่อโพธิปัจจะธรรมเพื่อการตรัสรู้เพื่อตรัสรู้ตามทั้นถ้าเราตั้งจิตไว้อย่างนี้ก็เชื่อว่าตั้งจิตไว้ชอบแต่กล่าวรวมๆสรุปสรุปก็คือว่าควรตั้งตนไว้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมเหล่าใดนะพระองค์กําหนดรอบรู้กองทุกเหล่าใดขอเราทั้งหลายเพึงเป็นผู้กําหนดรอบรู้กองทุกเหล่านั้นด้วยนะ พระองละบาปอากุศลกิเลส ท, ทั้งหลายเหล่าใดก็ขอให้เรานั้นได้ละบาปละอกุศลละกองกิเลส ท, ทั้งหลายเหล่านั้นด้วยพระพุทธเจา้าทําให้แจ้งทำใดเป็นธรรมที่ดับชราและมรณะเป็นต้นขอให้เราทั้งหลายเนี่ยได้รู้แจ้งแทงตลอดธรรมเหล่านั้นด้วยพระพุทธเจ้าเจริญด้วยคุณธรรมเหล่าใดขอเราทั้งหลายมีส่วนที่จะจเจริญตามคุณธรรมเหล่านั้นด้วย มันเราก็เรียกว่าตั้งไว้เพื่อจะรับอริยทรัพย์รับมรดกของพระองค์พระองค์ผู้เป็นพระธรรมราชา